เอาเรียบร้อยแล้วก็นั่งตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า แค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้แล้วก็ไม่ต้องไปตั้งเป้าว่าเราจะให้มันเกิดความสงบเราจะให้มันมีปิติถ้าใครตั้งเป้าอย่างนี้จิตจะไม่มีวันอยู่กับปัจจุบันได้นะกับปัจจุบันก็คือว่าลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนั่นแหละเป็นปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันาการ จิตที VIP, no you ่รู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจไหลออกอย่างไรจิตรู้ลมหายใจเข้าอย่างไรจิตรู้จิตรู้ตัวนั้นเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมกับปัจจุบันการอยู่ด้วยกันนี่แหละเรียกว่าปัจจุบันแท้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเขาได้เพราะว่ารู้ตัวนั้นไม่มีตัณหามานะและทิติอาศัยอยู่เป็นอนิสิตะรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า แค่รู้ไปเรื่อยๆถ้ามันหลุดออกไปในเรื่องอะไรก็ช่างเราก็แค่ยกกลับมาแค่นั้นเองง่ายๆแล้วการเริ่มรู้เริ่มตั้งการรู้ลมหายใจพอ ร, รู้ปั๊บจิตหลุดออกไปคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้รู้สึกว่ามันรู้ไม่ถนัดรู้ไม่ชัด รู้ไม่ต่อเนื่องเราก็แค่รู้แค่รู้ต่อไปยกมารู้ยกมารู้ยกมารู้ยกจิตมารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นการเริ่มตั้งความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นคุณต่อการปฏิบัติพอเราคิดเรื่องอะไรก็ตามเรารู้ว่าเรากําลังหลงคิดอยู่ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจเสียความคิดที่กําลัง คิดอยู่นั้นมันก็จะหายไปอันนี้แหละมันเป็นคุณให้กับจิตจิตไม่ให้ความสำคัญต่อความคิดยกจิตกลับมารู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ให้มันปรับลมหายใจให้มันเป็นที่สบายของการรู้ของจิตแต่ไม่ใช่ว่าเราจะยึดเอาความสบายอันนั้น แค่ให้มันจิตร so ู้ลมหายใจได้ถนัดแค่นั้นเองแต่ครั้นยกมาแล้วมันยังมีความอึดอัดก็รู้ว่ามันอึดอัดแล้วก็เกาะลมหายใจที่เข้าออกที่ไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าอยู่ด้วยความรู้ทั้งๆที่มันอึดอัดพอความอึดอัดนั้นมันยังตั้งอยู่ก็รู้ว่าความอึดอัดมันยังอยู่แล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยพอความอึดอัดนั้นหายไปเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็รู้ว่าความอึดอัดนั้นหายไปแล้ว วันสภาพทําต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นพอมันหายไปก็แค่สิ่งที่ดับไปและเราก็รู้ลมหายใจต่อไป พออาการรู้สึกตัวได้ว่าจิตรู้มันอ่อนกายมันเอียงเอียงซ้ายก็ตามเอียงขวาก็ตามโน้มไปข้างหน้าก็ตามให้ยืดตั้งกายให้ตรงเพื่อที่จะสลัดทินมิทานิวอนออกไปเอาความรู้สึกตัวพร้อมข้ามาแทนแล้วก็รู้ลมหายใจ ตั้งกายให้ตรงแล้วก็รู้ลมหายใจ <c oughs> เอาละได้เวลาพอสมควรก็ออกจากสมาธิการออกจากสมาธิเขาให้ออกตามลำดับโดยการยกจิตมาที่มือข้างฝาขายับปลายนิ้วมือฝาแล้วก็เคลื่อนมือฝาช้าๆไปวางไว้ที่เข่าข้างวาขายับปลายนิ้วมือซ้ายแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายช้าๆไปวางไว้ที่เข่าซ้าย แล้วยกจิตกลับมารู้เฉพาะอยู่ที่ใบหน้าของตนผูหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วตนนี้เราก็ยังนั่งนิ่งอยู่เราจะสวดบทถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบและสมเด็จพระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แต่เราจะถวายให้กับรัชกาลที่สิบเป็นหลักและในการสวดนั้นถ้าเราอ่านไม่ออกหรือว่าเราอ่านไม่ถนัดเราก็คลอเบาๆให้เอาเสียงของอาตมาเป็นหลักเมื่อเราสวดจบแล้ว มันตมาก็จะอ่านภาษาไทยข้างให้ท่านฟังเพื่อถวายพระพรเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วเราก็จะสวดบทโสอัตลรรัโทโธดูด้านล่างฮนะโสอัตลรรัตโธนี่สำหรับถวายพระเจ้าอยู่หัว โสอัตลโตสุกิตโตวิรุณโหพุตตะสาสเดอโรโคสุกิโตโห ห, สหสิจอาสเพหิยาติภิเวลาเราเอ่ยคําว่าโสให้นึกถึงพระพักของพระองค์โสนี่หมายถึงพระเจ้าอยู่หันึกถึงพระพักของพระองค์ไว้จากนั้นเราก็สวดสาอัตลาเวลานึกถึงเวลาสวดสาอัตลาก็ถวายกับสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินี ให้นึกถึงพระพักร์ของพระองคไว้ระลึกถึงส่วนไหนได้ก็ระลึกถึงส่วนนั้นก่อนแล้วก็ซาอัตรัทธาสุกิตาวิรุณห้าพุทธาซาเสนีอโรกเนียเจตพอเตอัตรัทธานี่ถวายทั้งสองพระองค์เตนี่หมายถึงถวายทั้งสองพระองค์พร้อมพันดังพระบรมวงสานุวงศ์นี่สุดท้ายพอส่วนบทนี้จบเราก็ต่อด้วยบทภาวะตุสัพ ได้ไหม่พราะวัตุศัพต์นี่เอาเต็มเต็มเลยถนัดเพราะวัตุศัพต์จบก็เป็นอันว่าจบวันนี้พร้อมแล้วจับกระดาษขึ้นมาเลยนัมโมก่อนนะนัมโมตัตตปะกะวะตอะระหะตสัมมา สัมปุตตานะโบตสัพวตเอรหโตสัมมาสัมปุตตานะโบตัดสพวต อระหโตสัมมาสัมปุทธ h สัมหวจิรลังการโนทัยยานังปิยขันติโยมหาเตชานุภาว จ่าพาหุสันทวิจักขโนอนทานหังกตทานุตาทายาพุถะทิฏฐิภะคาระวอยทะยามาณสสามปันโดยสัทธากะพระนโกวิทวิสังขะหานุป ปาทานเดนาธามมิการักขัุติยาสัพเพสังสมานํามปิสัพเพสังรัตทวสินังสัมภกิจจานิการติสารัะ ที่กนิสัพพะโสภะลาฏทักการเคนหิเนเกหาพิมันที่ต่อยเซธาสาราจพาวัต สอานุโรปองอนินทิโยยตัดสมาธานิณรินโตอิยางสาปุลนาปุลยปาระมิวารมตทาปิสิตตัววัฏสัมบองโอติขัด ติโยรตันตายานุภาเวนราชวนาปุญเตชะสปพพะเมตมหาราชาทิคารยุคนิรามโยวันนวันพลาสามปนโดยสกิตโตโหตุสัพ พระธารันธาพิปาละโดยปัญญาวิจาระยญวายโยนิโสราชังธัมเบนกะเรตุราจธรรมังโกปัญญามสมบท ท่าสาสันางเศทษฐังอุปัตทำปัตโตธานาโซปปปตโตสับปสอสทินจะสับพันจะาชัยะมังกาลังจิร so ังรัตเชปติดทาโตจัททาปัสานิปัสตโตสับ ขันตะรายาบคายะเทวรากขันตุนางสัทธานติพวกเราตั้งใจฟังนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแห่งรัตนกโกสินทร์ทรงเป็นพระมหากษัตร์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระบรมเดชาุภาพยิ่งใหญ่ทรงพระปรีชาในศาสตร์หลายด้านทรงมีพระมนฑ์มั่นในพระกตัญยุตตาธรรมทรงมีพระราชศรัทธาคารพนอกนบในพระาราชนตรัยทรงมีพระราชจรัสไทยเปี่ยมล้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณทรงรู้เท่าทันในเหตุการณ์เหตุผลโดยตลอดพระองค์ทรงบำเพ็ญ สัพพะพระราชกรณียกิจซึ่งล้วนเป็นฮิตานุฮิตประโยชน์แก่เราสมณะชีพรามทั่วนหน้าแก่เราประสกนิกรชาวไทยทุกทั่วนหน้าด้วยการพระราชทานสังขหธรรมนำจิตอาสาให้เพิ่มพูนขึ้นเนืองเนืองด้วยทรงรักษาปกป้องคุ้มครองโดยชอบธรรมทรงประดับด้วยพระคุณสมบัติแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอนเนกประการ จึงสมควรแก่ความเป็นพระมหาราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งจะหาผู้ใดมาปรามาตมิได้เพราะฉะนั้นบัดนี้พระจอมชนผู้ทรงมีพระบุญญาธิการบารมีสมบูรณ์แลนี้จึงทรงได้รับพระมรุธาพิเศษอันประเสริฐขึ้นเป็นพระมหากษัต ร, ริยการที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวง์ ด้วยอานุภาพแห่งคุณประสีรัตนไตรและด้วยพระบุญญาธิการและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบุรพมหากาัติริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ขอประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงมีประชชนมายุยิ่งยืนนานไร้พระโรคาพากทรงมีพระชวิวันผองใสเพียบพร้อมด้วยพระพลานามัย ทรงพระกเกษมสำราญเบิกบานพระไทยทุกทิพาราตรีการขอจงทรงดำเดินพระรักษาพิปาลโนบายโดยแยบคายทรงครองสิริราชสมบัติโดยทศพิตราชธรรมวิธีทรงรักษาราชธรรมประเพณีไม่ให้เสื่อมคลายทรงอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรยิ่งยืนนาน ขอจงทรงลุถึงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการขอจงทรงทารงมั่นอยู่ในไอสุริยสมบัติตลอดจิรัติการขอจงทรงประสบแต่สิ่งดีงามในการทุกเมื่อขอเหล่าทวยเทพเทวาได้โปรดปกปักรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรัช ก, การที่สิบทรงมีประชชนมายุยิ่งยืนนานผู้ ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นนิราชปราศจากพยันตรายพัยพิบัตทั้งปวงตลอดการทุกเมื่อเทินโซงัต ท, ทัลตโทสุกิโต ว, วิรุณโหพุทธทาสาสเนโอโรโคสุกิตโตโหหิสังสับ เทหิยติพิสาอัตตลัสทาสุกิตาวิรณหาพุทธทัาสันเดอโรคาสุกิตาโงงิสังสัพเทหิยติพิเตงอัตตัลานทัสกิตาวิรณหาพุทธ ท่าสะสันเดอโรคาสุกิตาโมทสศนัตภะหิยาติปิภวตุสัพมังกลังรักพระเทวตัสสะพรพุทธานุภาเวนะสัทธาสธิภวัน ภรวตุสัพพระมังคะลานราขันโุสัพพระเทวตาสัพธรรมานภาเวนัสัพพระวันตุเตพวตุสัพพมังะลางรักขันตุสัพพระเทวตาสัพ ปะสังขนฮเวนสัตถสติพะวันตเตอิจิตังปติตังตุมหังิปัเบวัสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังคป จันโทปนรโสยะธามณิชโชติรสโสยะธาอภิวาธนาสีลิสานิจจังวุฒาปจายโดจัตารโอธรมาวตันติอายุวันโดสุขังภะลังทุคารโอคาพยาเวราสโสกาสัตตุจุปัถวะอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตชยาสิทธิธนังลาพังโชติภะกายังสุขขังพลัง ส و و ิริอายุจะวันโดจะาโพคังวุฒีจะยศวาสตาวาจะอายุจะชีวสิทีพระวันตุเตสัปปบุทธานุภาเวนะสัปปทมานุภาเวนะสัปปทังขานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเต